อ้าวเดี๋ยวจะเพลินกันซะเออ 2 ของรายการ Bangkok Radio Formen นะครับวันนี้ ทำไมเหรอ? เหรอเมื่อวานก็เมื่อวานก็เมาผมก่อนนะไอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เออนะครับเออสรรทายทุกครับ นะครับโชคโชนโทมาวันนี้จะคุยประเด็นหรือ สิ่งที่เป็นตัวตนของเค้าเนี่ยออกเนี่ยตอนที่คบกันเนี่ยเออ ยังไงผมก็ไม่ได้ใจเออแล้วก็มัน เออเราก็มีเนี่ยอืมเออเค้าจะรับเอ่อทางบ้านก็โทรมา อ่าเราก็เปลี่ยนคือว่าระปูเดียวก็จะนิ่งอืออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อ่าหลาย ต้องมีทํางานอย่างนี้ด้วยมันก็ต้องมีใช่มั้ยก็เหมือนกับพี่เค้าว่าว่า กันให้คบหาเช้ากัน 3-4 ก็ถือไฟฉายเข้าไปช่วงมืดแล้วกันก็คง มันน่าจะน่าจะน่าเนี่ย เนี่ยเนี่ยจะอยู่ร่วมๆๆๆจะเยอะขึ้น แต่ตัดเล็บเท้ามันธรรมดาคุณแต่ตัดเออหมดงานอ้าวส่วนใหญ่เออคุณคุณ ส่วนใหญ่ยกขาแล้วเนี่ยจะโชคโชคที่ไปเชื่อว่าถูกโอเค ดีมากนอมถึงแบบที่น่าสนใจอีกเลยเออ ไม่มีไม่แต่งงานอะไรเงี้ยเรารู้สึกอ่าๆเอาไว้กล้าแล้ว อ่ะโอเคก็อยากคอยอยากเออเออเลยอ่ะร้ายกาจจริงครับจ๊ะเอ๋สวัสดีครับครับคุณ เออกําลังจะบอกว่าเออเสียงไม่คุ้นว่าเสียง เสียงหน้ามีเพจสัมพันธ์ด้วยโหยคุณทําไปเล่นไป อ่าอันนี้บอมบอมให้น้องเค้า iPhone smartphone เราจะส่งมายังไง onteam@bangkokradioformat@hotmail.com ใครต้องมาอยู่ตรงนี้ส่งมาหน่อยส่ง A ตรง question เนี่ยอ่ะ มีครับผมว่าอ่าเช่นอ๋อ อาจจะน่ารักนะคุณเหรอเขาชอบผู้ใหญ่กว่าเดี๋ยวต้อง ใช่ครับอ่าโอเคเจอกเจหลุดเจอด เขากําลังคุยอยู่ไม่ไม่ก็คุยไปก็ส่งรูปได้คุยไปส่งไปก็จะมี ในความคิดอ่าแล้วเป็นไงเค้าเริ่มทําตัวไม่มีใช่ใช่เค้าเริ่มงี่เง่านะอะๆเจเจสันดานดีค่ะไม่ พอผมขอเช็คของเขาบ้างเขาก็ไม่อ้าวเราเราจะถืออ๋อถ้ามีก็คือ เออแล้วยังไงต่อเค้าเค้าเริ่มไม่มีอ่าเค้าก็ถือว่าผู้ใหญ่กว่าเนาะก็ คือเราก็กลัวคนอื่นเขาจะมามองอย่างเงี้ยเราไม่ชอบที่สายตา ฮะๆเสื้อนะเสื้อผ้าหน้าจริงๆนะทําไมนะวัน เออระเปิ๊ยไปกับเอ่อพนักงานคนนึงที่เป็นด้วยไงก็ไม่กี่คู่ไป แหลมแบบแหลมจากเล็กมากแหลมน้อยเป็นแหลมมากมีพฤติกรรมที่เค้าแบบเอ่อเปลี่ยนไปจาก ที่น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยครับที่หรอยใจอีกหัว ก็ยังไม่นานนะครับคนเดือนอ๋อก็อืม มาๆมาเอ๊ะแบบอืมนะ 20 กว่ายังว่าได้คือแล้วผู้ ผมไม่รู้สิครับคือซึ่งเริ่มผมกันไม่นานยังไม่ถึง อืมไม่ใช่เออไม่ชอบเราอะไรๆเลยเออถามไปอะไรอย่างงี้เค้าเป็นคน แม่แต่ปิ่นก็เนี่ยปิ่นว่านะเอ่อเอเป็นคนพูดเก่งแล้วแบบถ้าไป ก็เป็นเจ่แน่ครับแล้วเธอไปรู้จักมัจฉี่เค้าเออเฟซบุ๊กแล้วไม่แล้วคือคือคือเค้าเธออาจ พี่ผมเออเงียบเออเนี่ยเออเปลี่ยนคนดีเอช่วยเอารูปเค้ามาให้พี่ดูหน่อยสิหรือรูป แล้วก็แบบชื่ออะไรเอออ๋อเดี๋ยวนี้เค้าเปิดโอเค กลับมาเจอกัน 15 15 นาทีที่ผ่านมานี่ค่ะเราติดตั้งตั้งแต่ @hotmail.com นะบัดส่งมาเลยส่งมาเลยเดี๋ยวจะครับแล้วก็ 90 ครับเออโทษครับ 3 อ่าอ๋ออ่า อะไรนะเจสลิมงง 14 ครับ เออคาราโอเกะครับๆๆไปมั้ยเดี๋ยวจะมีมุมของพวกเรากันอ๋ออตกอครับ อะไรนะครับโทรโทรเข้ามาถามเพื่อเรื่องนี้อย่างเดียวเลยอ๋อเออโอ้โหให้ให้ถามกันสดๆนะโอเคมีมีเรื่องจะคุยในแล้วยัง ปีครับครับเช่นเหมือนว่าเออเวลาที่มาเจอกันเนี่ยก็ไม่มีอ๋อเวลาน้อยแล้วอืมเราจะทํา บางเค้าอยู่แคไรครับแคไรเออแต่คือบางทีแบบว่ามันแห้งนะครับแห้งก็คือมันก็คือ เอ่ออืมก็ก็คงจะเปลี่ยนอ่ะอ๋ออันนี้ ก็ปกติก็ไม่เคยคบใครนานขนาดๆไม่ใช่ชั้นๆไม่ๆจริงๆเออ ไม่ก็อาการมันแย่ลงถ้ามันเสถียรโอเคมันอยู่ ขอลาไปขอให้มึงไปทำทางของมึงอื่นเออนี่ๆคอนเวิร์ตอะไรๆก็ไม่จะ คือหมายว่า relationship Facebook นี่ก็ส่งเสริมกันดีนะเนี่ย เดี๋ยวก็จะรู้เป็นใครนะก็ยัง ไม่ก็ไม่เปิดใช่มั้ยแล้วถ้าไม่เปิดเผยก็บอก ก็แสดงว่าลาโจอยู่ไปเลยเดี๋ยว Facebook อีกรอบนึงได้